เจรลิศอุท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกระสงค์ทุกๆ ท, ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งพศจาพุทธศักราช2560เป็นวันหยุดทำงานเนื่องจากเป็นวันแรงงานแห่งชาติทางวัดเราเรียกว่าวันกำไรบุญวันที่ญาติโยม จะได้มีเวลามาทาบุญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันเพราะการทาบุญนี้เป็นเหมือนกับการหาเงินหาทองแล้วก็เอาไปฝากไว้ในธนาคาร<ม>ถ้าเราไม่ทาบุญเราก็จะไม่มีบุญติดตัวไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว<ม>เวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เราใช้เงินใช้ทองกัน แต่พอเราออกจากโลกนี้ไปไปสู่โลกทิ่เราต้องใช้บุญเป็นเงินแทนถ้าเราไม่มีเงินติดตัวไปไม่มีบุญติดตัวไปเราก็จะไปลาบากต้องมาคอยรอรับส่วนบุญของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะตอนที่มีชีวิตอยู่เราประมาทเราอาจจะไม่เชื่อเรื่องบุญเลยเอาเงินไปเที่ยวกันไปเล่นกันไปกินไปดื่มกัน ไปหาความสุขชั่วคราวลืมคิดไปว่าต่อไปเราจะต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกับเวลาที่เราจะต้องไปต่างประเทศเราก็ต้องเตรียมเงินต่างประเทศไปเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศว่าเวลาเราไปต่างประเทศจะใช้เงินของเรานี้ใช้ไม่ได้ ต้องไปแรกเป็นเงินของประเทศที่เราจะไปแันใดพวกเราเวลาร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นเจ้านายของร่างกายเราเป็นผู้ใช้ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้เราก็สั่งให้ร่างกายมาวัดมาทำบุญกัน <c oughs> ผู้ที่สั่งไม่ใช่เป็นร่างกายผู้ที่สั่งคือใจ ผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายผู้ที่จะไปเกิดใหม่ผู้ที่จะไปรับผลผลบุญ ผ, ผ, ผลบาปที่ได้ทำไว้ในภพนี้ชาตินี้พระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้เราทำบาปเพราะทำบาปแล้วต้องไปรับผลบาปเหมือนกับไปติดคุกติดตารางถ้าทำบุญเราก็จะมีเงินติดตัวไปเหมือนกับเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ถ้ามีเงินเราก็สามารถไปอยู่ตามโรงแรมต่างๆไปซื้ออาหารตามร้านอาหารต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ถ้าเราไม่มีเงินติดตัวไปเราก็ไม่สามารถไปเที่ยวได้เราก็จะมาเป็นขอทานบนเมียนอยู่ตามบริเวณวัดเพื่อมาขอส่วนบุญจากผู้ที่ทำบุญจนกว่าเราจะหมดกรรม เราถึงจะไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำบุญที่พระพเจ้าทรงสอนให้ทำนี้มีอยู่สิอย่างด้วยกันคือหนึ่งบุญที่เกิดจากการทำทานทานแปลว่าการให้ให้ข้าวของเงินทองให้สิ่งของต่าง อย่างที่ยอดโยมมาให้กันวันนี้เรียกว่าวัตถุทานถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองเรามีความรู้มีวิชาเราเอาวิชานี้ไปสอนผู้อื่นโดยไม่คิดตังก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานได้บุญเหมือนกันหรือถ้าเราไม่มีความรู้ทางโลกแต่เรามีความรู้ทางธรรมรู้ว่าทุกเกิดจากอะไร รู้วิธีดับความทุกข์ดับอย่างไรเวลามีคนเขาทุกข์เขามาปรึกษาเราเราก็<ร>สอนเขาบอกเขาให้เขาระต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากต่างๆถ้าเขาระได้ความทุกข์เขาก็จะหายไปอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ธรรมะธรรมทานนี่คือสิ่งที่เราควรจะให้กันถ้าเรามีอย่างไดอย่างหนึ่ง ที่เราไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เราก็ให้เขาไปเรียกว่าเป็นการทำบุญบุญแปลว่าความสุขใจอิ่มใจบุญคือเงินที่เราจะเอาไปใช้ในโลกทิพย์ถ้าเราทำแล้วเราก็มีบุญติดตัวไป 2. อให้รักษาศีลบุญที่เกิดจากการรักษาศีลคือถ้าเราไม่ทาบาป เราก็จะไม่ต้องไปทุกข์กับการไปใช้บาปในอบาย <c oughs> ไปติดคุกติดตารางอบายมีอยู่สี่แห่งด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกถ้าเราไม่รักษาศีลเราทำบาปอยู่เรื่อยๆตายไปเราจะต้องไปใช้บาปตามสถานที่เหล่านี้ ถ้าเรารักษาศีลได้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปบุญข้อที่สก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาภาวนาก็คือการปฏิบัติรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาก็าจะทำให้ใจเราฉลาดจะให้เรารู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษกับจิตใจของเรา ฟังธรรมอย่างวันนี้เราก็จะรู้ว่าบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์มาเป็นโทษความอยากต่างๆเป็นโทษเพราะความอยากจะทําให้เราทุกข์กันแล้วความอยากนี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดมาตายกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราได้ฟังธรรมแล้วเร า, เราภาวนาได้ทําใจให้สงบได้ เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดการะทําบาปได้เราก็จะทําแต่บุญพอตายไปเราก็จะไปถึงพระนิพพานไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกินมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนี่เรียกว่าภาวนาภาวนานี่เหมาะกับพวกที่เป็นนักบวชเพราะว่าถ้าเป็นญาติโยมจะไม่มีเวลามาก ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้ที่ทัภาวนากันส่วนใหญ่จึงบวชกันถ้าอยากจะไปนิพพานถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ไปบวชไปภาวนากันถ้ายังไม่บวชก็ทำบุญรักษาศีลไปตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆไม่ต้องไปเกิดในอบายนี่คือบุญาสา บุญข้อที่สี่ก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจมีความฉลาดมีความรู้ที่จะรักษาใจของเราไม่ให้ตกอยู่ในกองทุกข์นี่คือบุญที่เราควรจะทำกันเป็นเป็นประจำถ้าเป็นอาหารก็เป็นเหมือนอาหารหลักเช่นข้าวกับข้าวอย่างนี้เราต้องกินกันทุกวัน ส่วนอาหารเสริมเช่นขนมของหวานผลไม้อาหารเสริมต่ตางๆถ้ามีก็กินได้ก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนแต่เราขาดอาหารหลักไม่ได้อาหารหลักนี้เราต้องมีอยู่เรื่อยๆต้องกินอยู่เรื่อยๆนั้นเราควรทำทานอยู่เรื่อยๆทำที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาทำที่วัดอยู่ที่ไหนก็ทำได้มีเงิน ให้ไขรก็เรียกว่าได้ทำทานแล้วให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้นนองให้ญาติสนิทมิตรสหายให้ขอทานให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ได้ทำบุญนล้เราได้ทำทานคือการให้แล้วมาวัดก็ได้มาวัดก็ได้ทำบุญทำทานเหมือนกันขอให้ทำเป็นประจำเหมือนกับการรับประทานอาหาร เราต้องรับประทานอาหารทุกวันเราควรจะทำบุญทุกวันทำทานทุกวันทำมากทำน้อยก็ตามกำลังของเราถ้าเราอยากจะทำกับวัดแต่เราไม่ได้มาวัดเราก็เอาเงินที่เราจะทำนิสัยกระปุกไว้วันละบากสองบาทพอถึงเวลามาวัดเราก็จะมีเงินมาทำบุญไว้ทำทุกวันเพราะอะไรมันจะได้ติดเป็นนิสัยจะทำง่าย เราก็จะมีความสุขใจอิ่มใจทุกวันศีลกร็รักษาทุกวันศีลก็รักษาได้ทุกที่ไม่จำเป็นจะต้องมารักษาที่วัดอยู่ที่ไหนก็รักษาได้ถ้าเราไม่ทำบาปไม่พูดปดไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ดื่มสุรายามเาเราก็มีศีลแล้วศีล น, นี่อยู่ที่กายวาจาใจไม่เย็ยนอยู่ตามสถานที่ต่าง สถานที่เป็นเพียงแต่ที่ที่จะเพื่อต่อการรักษาศีลถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่เขากินเหล้ากันเขาก็จะชวนเรากินถ้าเราไม่กินเราก็จ ะ, ะเหมือนกับเป็นคนนอกวงไปก็จะทําให้เป็นที่รังเกียจเขาได้ดังนั้นเราอย่าไปคบกับคนที่ชอบกินเหล้าเพราะเขากินเหล้าแล้วเดี๋ยวเราเขาก็จะชวนเรามากินเหล้าไปคบกับคนที่ไม่กินเหล้า แล้เราก็จะได้รักษาศีลได้นี่คือศีลภาวนาก็ภาวนาที่วัดก็ได้ภาวนาที่บ้านก็ได้ภาวนานี้ขอให้มีสถานที่ที่สงบจะเป็นที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ในป่าในเขาก็ได้การนำทำใจให้สงบนี้ต้องอาศัยสถานที่ให้สงบถ้าสถานที่มีเสียงหรือกระทึกคลุกโครมมีกิจกรรมอะไรต่างๆมันก็จะทา ให้ยากต่อการทำใจให้สงบดันั้นการภาวนาเนี่ยเราจึงต้องหาที่ที่สงบแต่ไม่จาเป็นจะต้องเป็นที่วัดเสมอไปเพราะบางทีไปวัดบางแห่งวัดกับไม่สงบก็มีวัดมีกิจกรรมต่างๆเช่นวัดที่มีสาราสวดศพนี้ก็จะมีคนไปงานศพกันเยอะก็จะไม่สงบก็ต้องไปหาวัดที่สงบหรือท้าไม่ มีวัดก็ไปหาที่ที่สงบที่ไหนก็ได้แล้วนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วใจเราจะหยุดความอยากต่างๆได้ตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ส่วนการฟังเทศฟังธรรมสมัยนี้ก็ไม่ต้องมาวัดก็ได้เพราะมีธรรมะไปถึงบ้านมีธรรมะไปถึงมือถือเปิดมือถือก็อ่านได้เลย เข้าไปในเว็บต่างๆหรือเปิดฟังซีดีก็ได้เปิดดูทีวีก็ได้ฟังทำบ่อยๆแล้วจะทำให้เราฉลาดจะทำให้เรารู้ผิดถูกดีชั่วจะทำให้เราสามารถจะสร้างความสุขให้กับเราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้นี่คือบุญที่เราควรจะทำประจา ส่วนบุญเสริมทำเมื่อไหร่ก็มีโอกาสก็ทำไปเช่นอุทิศบุญเราจะอุทิศบุญก็เวลาที่เราได้ทำบุญพอเรามีบุญเราก็แบ่งบุญนี้ไปเหมือนกับแบ่งเงินทองให้กับผู้ที่เขาไม่มีบุญติดตัวไปที่เขากำลังรอรับเราอยู่เราก็ตั้งจิตอธิษฐานไปว่าขอทิศบุญส่วนนี้ให้กับคนนั่นคนนี้ที่เรื่องรับไปแล้ว ถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะรับไปได้ถ้าเขาไม่ได้รอรับก็ก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไปอันนี้เรียกว่าการอุทิศบุญส่วนบุญอีกอย่างที่เกิดคือการอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญคือแสดงความยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นเวลาเห็นคนอื่นเขาทำบุญก็ชื่นชมยินดีไปกับเขาให้กำลังใจเขาเขาก็จะมีความสุข เราก็จะมีความสุขอย่าไปขัดขวางการทำบุญของผู้อื่นอย่าไปว่าทำบุญไม่ดีทำบุญแล้วเสียเงินทำบุญแล้วโง่เปล่าๆพูดอย่างนี้เราก็ไม่มีความสุขคนที่เขาทำบุญเขาก็อาจจะทอแท้ได้ดังนั้นขอให้เราเวลาเห็นคนทำความดีทำบุญให้เราช่วยกันส่งเสริมช่วยกันอนุโมทนา จะทำให้เขามีกําลังใจที่จะทาความดีต่อไปแล้วก็จะทําให้เรามีความสุขที่เราเห็นคนอื่นทําความดีนี่คือเรียกบุญอนุโมทนาบุญเรือเราเห็นก็ทําบุญเราอยากจะร่วมบุญด้วยก็ได้ยิ่งดีอะ่ะก็เป็นการอนุโมทนาบุญอีกอย่างหนึ่งแล้วบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดการ จ, จากการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่น เวลาผู้อื่นเขาเดือดร้อนเขาไม่มีใครช่วยเหลือดูแลเรามีเวลาว่างไปช่วยเขาได้ก็ไปช่วยกันหรือเวลาเรามาวัดเราเห็นวัดห้องน้ำไม่สะอาดเราก็ช่วยกันล้างช่วยกันทำความสะอาดอย่างนี้ก็เป็นบุญทำแล้วเราจะมีความสุขใจห้องน้ำก็จะสะอาดคนที่มาวัดเขาก็จะ เขาก็จะไม่รังเกียจเขาก็จะไม่เบื่อถ้ามาวัดแล้วเจอห้องน้ำสกรปรกบางทีเขาก็ไม่อยากจะมาทำบุญกันนี่ก็คือบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นถ้ามีโอกาสมีเหตุการณ์ก็ทำไปบุญข้อต่อมาก็คือการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะการที่เราเป็นผู้อ่อนผู้มีความสัมมาคาระวะ จะทํทำให้ผู้อื่นเขาไม่รังเกียจเราจะทํทำให้เขารักเขาชอบเราเมื่อเรารู้ว่ามีคนรักมีคนชอบเราเราก็จะมีความสุขนี่ก็คือบุญอย่างหนึ่งบุญอย่างหนึ่นนงก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องอความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงตายไปแล้วทำบุญได้ไปสวรรค์ ถ้าทำบาปตายไปแล้วก็ต้องไปอาบายการเวียน่ายตายเกิดมีจริงตายแล้วต้องไปรับผลบุญต่อถ้าไม่อยากจะไปเวียน่หยตายเกิดก็ให้ไปปฏิบัติธรรมให้ไปชาระใจให้สะอาดกงจัดความโลดโผฏลหลงให้หมดไปจากใจแล้วใจก็ไม่ต้องไปเวียน่หวตายเกิดอีกต่อไปอันนี้คือการมีความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องหมั่นเข้าหาผู้รู้หาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องอแล้วบุญข้อสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นถ้าเรามีธรรมะเรารู้ว่าบุญกุศลเป็นยังไง ถ้ามีคนเขาอยากจะรู้เราก็บอกเขาสอนเขาแต่อย่าไปสอนคนที่เขาไม่อยากรู้เขาไม่สนใจก็ะจะเสียเวลาเปล่าๆสอนคนที่เขาอยากรู้เพราะว่าถ้าคนไม่อยากรู้พูดไปเขาก็ไม่อยากจะฟังถ้าเรารู้ถ้าเราไม่รู้แต่เรารู้ว่ามีหนังสือดีๆมีประโยชน์เราจะพิมพ์เอาไปแจกคนอื่นก็ได้ยังงี้ก็เรียกว่าธรรมทาน เป็นการให้ธรรมะ <c oughs> บุญเหล่านี้เรียกว่าบุญเสริมถ้ามีโอกาสทำได้ก็ทำไปถ้าไม่มีโอกาสไม่ได้ทำก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ขาดทุนแต่ไม่ได้กำไรแต่ถ้าเราทำบุญหลักสี่ข้อแรกก็ถือว่าพอเพียงต่อการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้น หลุดพ้นจากภัยต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความร่มเย็นมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือพระ น, นิพพานคือบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาและบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรม อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทากันในวันนี้ท่านได้ทำทานแล้วท่าน ท, ท่านรักษาศีลท่านได้ฟังเทศฟังธรรมกลับไปบ้านเลือมอยู่วัดก็ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วท่านก็จะได้บุญที่จะพาจิตใจของท่านให้ไปสู่ที่สูงไปขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพาน ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายไม่ต้องกลับมาทุก ก, กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องบุญที่พวกเราควรจะหาเวลามาทำกันอย่ามัวแต่หลงหาเงินหาทองแล้วก็เอาเวลาไปใช้เงินใช้ทองเดี๋ยวเวลาตายไปจะไม่มีบุญติดตัวไป mm hmm. แล้วอาจจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมต่อด้วยนย mm hmm. จึงขอให้เรา พยายามคิดถึงบุญเหล่านี้และพยายามทําทบุญเหล่านี้ไปแล้วเราจะมีความสุขทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และเวลาตายไปเราก็จะไปอย่างสุขอย่างสบายการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่ท่านได้มากระทํากันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็ววกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธิน